ซึ่งก็จะกลายเป็นผลคือการไม่เบียดเบียนกันเพราะคนที่เบียดเบียนกันในปัจจุบันนี้รักตัวเองมากโดยไม่คำนึงถึงคนอื่นคำนึงถึงแต่ตัวของตัวเองเท่านั้นไม่คิดถึงคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นจึงมีการเบียดเบียนกันแต่ถ้าเราใช้ความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยขึ้นมาพิจารณาแล้วก็คิดถึงคนอื่นเขาบ้างว่าคนอื่นเขาก็เห็นแก่ตัวของเขาเหมือนกันการเบียดเบียนกันก็จะไม่เกิดขึ้นแก่โลกมนุษย์ การปฏทุสด้ายต่อการสงครามจะไม่เกิดการรบราฆ่าฟันกันจะไม่เกิดการเบียดเบียนกันจะไม่เกิดเพราะว่าเมื่อเราเห็นใจว่าคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันอย่างนี้การเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นชีวิตของใครใครก็รักเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้หยิบยกเอาความรักตนเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อความรักในคนอื่นต่อไป แต่ความรักในคนอื่นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเมตตาธรรมไม่ใช่รักแบบประเภทที่ประอกอบได้วความโลภฉะนั้นคนเราที่มีความรักตนเองมากๆหรือเห็นแก่ตัวเองมากๆเนี่ยถ้าจะพิจารณาให้ลึกซึ่งลงไปอีกถึงคนอื่นด้วยว่าคนอื่นเขารักตัวของเขาเองหรือไม่เราก็จะรู้ว่าคนอื่นเขาก็รักตัวเขาเองอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตของใครๆก็รักเนี่ย เราจึงไม่ควรเบียดเบียนกันอวิหิงสามันก็เกิดตัววิหิงสาอันนี้แหละคือตัวเมตตาธรรมที่พึงมีต่อกันระหว่างสัตว์ต่อสัตว์เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่เบียดเบียนกันต่างฝ่ายต่างก็จะทําประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันการทําประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันอย่างนี้คือความเกื้อกูลต่อกันทําให้คนเราอยู่ด้วยความรักที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมต่างฝ่ายต่างจะเสียสละให้ซึ่งกันและกัน ท่านทั้งหลายจะศึกษาได้ว่าโลกมนุษย์ที่อยู่กันอย่างเป็นสุขนี้ก็เพราะว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยการเสียสละให้ซึ่งกันและกันเท่านั้นถ้าหากว่าอยู่ด้วยการเอารัดเอาเปรียบต่อกันแล้วนั่นไม่ใช่ทางแห่งความสงบสุขทางแห่งความสงบสุขนั้นคือการเสียสละเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยจึงจะทาให้โลกมนุษย์เนี่ยอยู่อย่างสงบสุขได้ ฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านพ้นมาเนี่ยสงครามไม่เคยทําให้เกิดสันติสุขขึ้นมาสงครามมีแต่จะก่อเวรก่อภัยมีแต่จะก่อความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์อย่างกว้างขวางต่อไปแต่ถ้าเมื่อใดมนุษย์ในโลกนี้อยู่กันด้วยเมตตาธรรมแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเสียสละให้ซึ่งกันและกันแล้วนั่นแหละโลกเนี้จึงจะมีสันติสุข นี่เป็นหลักปฏิบัติธรรมะที่ <c oughs> พระพุทธองค์ได้ตรัสวางไว้ว่าหลักการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างนี้และมันก็จะเกิดเป็นผลคือเมตตาธรรมขึ้นมาเมื่อเมตตาเกิดขึ้นในตนโดยมีตนเป็นพยานอย่างนี้เราก็จะได้แผ่เมตตาไปในคนอื่นได้ง่ายนี่มันจะเกิดผลสะท้อนมาในลูกที่เป็นเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นการพิจารณาความรักตนเสียก่อนให้รู้ถึงความรักตนจริง อย่างลึกซึ้งแล้วเมตตาธรรมมันก็จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้โดยเอาตัวตั้งเป็นสักขีพยานเสียก่อนบุคคลที่นอกไปจากตัวเราที่จะต้องนึกเป็นอันดับที่สองนั้นคือใครที่เราจะต้องนึกถึงเป็นอันดับที่สองท่านบอกว่าบุคคลที่เราจะต้องนึกถึงในอันดับต่อไปนั้นคือครูบาอาจารย์ เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นบุคคลที่ปรารถนาดีต่อสิทธิ์สิทธิ์ย่อมเกิดความรักในครูอาจารย์อยู่แล้วและความรักในครูบาอาจารย์นั้นสิทธิ์มีอกุศลต่อครูบาอาจารย์น้อยเป็นความรักเต็มด้วยความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นบุคคลที่ร้องไปจากตัวเรานั้นคืออาจารย์ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสัดวิชาความรู้ต่างๆหรือว่าให้แสงสว่างแก่เราจะเป็น ปรับพัชชาอาจารย์คืออาจารย์ที่บรรพชาเป็นสมณีนใ ห, ห, นาาอออให้หรือจะเป็นอุปสมประทาาจารย์คืออาจารย์ที่ให้อุปสมบทให้หรือจะเป็นอุเทศอาจารย์หรือนิสยาจารย์คืออาจารย์ที่สอนธร ร, ร, รมะให้หรือจะเป็นธรรมมาอาจารย์คืออาจารย์ที่พร่ำสอนหลักปฏิบัติให้ก็ตามเราจะต้องนึกถึงบุคคลเหล่านี้ก่อนแผ่เมตตาให้คนเหล่านี้ เมื่อแผ่ไปให้บุคคลเหล่านี้ได้มั่นคงดีแล้วอันดับสามรองลงไปก็คือเพื่อนที่เรารักคนไหนบ้างเป็นเพื่อนที่รักของเราเราก็นึกถึงเพื่อนก่อนอพอนึกถึงเพื่อนเสร็จแล้วบุคคลที่เราจะต้องนึกถึงอันดับต่อไปก็คือคนที่มีเวรต่อเราก็คือนึกถึงศัตรูว่าเราจะต้องปลูกฝังเมตตาในศัตรูให้ได้ ต้องแผ่เมตตาให้แก่บุคคลที่เป็นศัตรูต่อเราเนี่ยให้สำเร็จทีนี้การนึกถึงบุคคลที่เป็นศัตรูเนี่ยถ้าพื้นฐานทางเมตตาธรรมที่เราปลูกขึ้นไม่มั่นคงเพียงพอแล้ววิธีการนี้อาจจะไม่สำเร็จคือเมตตาคนอื่นเนี่ยก็พอจะเมตตาได้แต่เมตตาต่อศัตรูหรือคนมีเวรนี่เมตตายากอย่างยิ่ง คนมีเวนเนี่ยคือคนชนิดไหนคนมีเวนนี่ไม่ใช่หมายความว่าคนเราจะต้องเกิดมาเป็นศัตรูกันเฉพาะในชาตินี้แล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนมีเวนต่อกันคนมีเวนต่อกันนี่ในชาตินี้อาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็ได้พอเห็นหน้ากันก็รู้สึกเกลียดไม่ชอบรู้สึกว่าคนคนนี้ ไม่อยู่ในความนิยมหรือเป็นมิตรกับเราทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้พูดจาปราสายกันเลยเนี่ยก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีเวรต่อกันตั้งแต่ชาติก่อนอดีตชาติเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเมื่อดีตชาติเคยเป็นศันนออ ต, ต, นตรูต่อกันมาในปัจจุบันชาติเห็นหน้ากันก็รู้สึกไม่ชอบมีความขัดข้องในใจไม่ค่อยจะนิยมชมชอบเห็นครั้งแรกก็รู้สึก ไม่ไม่ถูกสายตาแล้วและยิ่งถ้าหากว่ามาในปัจจุบันนี้ได้มาตั้งตนเป็นศัตรูต่อกันจองร่างจองผานกันก็ยิ่งจะเป็นศัตรูรหนักขึ้นอีกคนอย่างเรียกว่าคนที่มีเวรต่อกันการแผ่เมตตาไปในบุคคลประเภทนี้อาจจะไม่ได้ผลทีนี้เม่ได้ไม่ได้ผลแล้วจะทำอย่างไรคือปลูกเท่าไหร่เท่าไหร่เมตตาก็ไม่เกิดอย่างนี้นึกถึงทีไรโทรสะมันจะเกิดทุกครั้ง จะทำอย่างไรวิธีปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเมื่อจิตมีความรู้สึกเช่นนี้ก็ขอให้เราเนี่ยให้อวาดแกตัวเราเองคือสอนตัวเองในการสอนตัวเองเนี่ยมันยากกว่าสอนคนอื่นเพราะว่าสอนคนอื่นนีง่ายแต่สอนตัวเองยากท่านสอนให้เราสอนตัวเองให้อวาดแกตัวเอง <c oughs> การให้โอวาากับตัวเองนั้นก็ให้นึกถึงโอวาทของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสสอนไว้อย่างไรท่านตรัสว่าผู้ใดย่อมโกรธตอบผู้ที่โกรธแล้วผู้นั้นเลวเสียยิ่งกว่าบุคคลที่โกรธเราครั้งแรกเสีย อ, อีก หมายความว่าใครก็ตามที่ไปโกรธตอบต่อคนอื่นที่มาโกรธเราเราที่โกรธตอบเนี่ยเร็วกว่าคนที่เขามาโกรธเราครั้งแรกคืออีกคนที่มาโกรธเราก่อนนั้นนะ่ะยังเร็วสู้เราไม่้เราเร็วกว่าเพราะเราไปโกรธตอบเขาเพราะเหตุที่ว่าเราเนี่ยไปโกรธตอบคนอื่นเขา เพราะฉะนั้นท่านจึงมีหลักปฏิบัติว่าเราจะชนะคนโกรธเนี่ยจะชนะได้ยังไงท่านก็บอกว่าถ้าเขาโกรธมาเราก็อย่าไปโกรธตอบการไม่โกรธตอบนั่นแหละคือความชนะแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเร็วกว่าคนที่มาโกรธเราแต่เขาโกรธเรามาเราก็จะโกรธบ้างถ้าอย่างนั้นแล้วก็คนที่โกรธตอบเนี่ยเร็วกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาวิธีชนะโดยการไม่โกรธตอบ ใครก็ตามที่โกรธเราเราก็อย่าไปโกรธตอบเขาด่าเราเราก็อย่าไปาด่าตอบเขาตีเราเราก็อย่าไปตีตอบและคนที่ไม่ตอบเนี่ยคือคนชนะเป็นคนดีกว่าคนที่ที่โกรธเราครั้งแรกแต่ถ้าเราไปตอบเราเนี่ยจะเลวกว่าคนที่โกรธเราครั้งแรกเนี่ยเราต้องให้โอวาตอย่างนี้ ผู้ที่ไม่โกรธตอบเนี่ยชื่อว่าเป็นบุคคลที่ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากเพราะว่าเราได้ชนะตัวเราเองด้วยการไม่โกรธตอบคนอื่นนี้เป็นการชนะสงครามที่ชนะได้ไม่ไง่ายนะสงครามนะ่ะชนะแล้วยังมีวันแพ้ได้แต่การชนะจิตใจตนเองเนี่ยเมื่อชนะได้แล้วไม่มีวันแพ้ ท่านจึงกล่าวว่าเป็นชัยชนะที่ชนะได้โดยยากและชัยชนะเช่นนี้ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีบ้างไหมการทำสงครามที่ฝ่ายหนึ่งชนะแล้วจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่มีเลยในโลกนี้มีแต่ว่าฝ่ายพ่ายแพ้น่ยยับเยินใช่ฝ่ายชนะอาจจะไม่ยับเยินแต่ฝ่ายพ่ายแพ้เนี่ยยับเยินไม่เกิดประโยชน์เลย แต่ความชนะคนโกรธ ด, ด้วยการไม่โกรธตอบเนี่ยเป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่คนสองฝ่ายผู้ที่ชนะก็ได้ประโยชน์คือผู้ที่ไม่โกรธก็ได้ประโยชน์คนที่โกรธก่อนก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่มีชัยชนะอะไรเลยที่จะเป็นประโยชน์อย่างนี้มีแต่ชัยชนะในเรื่องจิตใจเท่านั้นที่เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ท่านจึงกล่าวว่าเป็นชัยชนะที่ประเสริฐประเสริฐกว่าความชนะที่เราได้ในสงครามเพราะชัยชนะที่เราได้ในสงครามนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ฝ่ายชนะอย่างเดียวฝ่ายที่พ่ายแพ้จะเสียหายยับเยินไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ชัยชนะในด้านนี้คือชนะคนโกรธได้การไม่โกรธเนี่ยเป็นชัยชนะที่เป็นประโยชน์ได้กันทั้งสองฝ่ายถ้าเราเอาชนะกันได้อย่างนี้แล้วก็ สันติสุขก็เกิดเนี่ยต้องให้อววาดอย่างนี้ถ้าอวาทอันนี้ให้แล้วมันก็ยังไม่ฟังก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละจะทำยังไงเพราะว่าให้ก็ให้แล้วแะแต่ว่านึกคลั้งไคลก็ยังโกรธอยู่ยังไม่หายโกรธอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงท่านก็บอกว่าเราจะต้องนึกถึงโทษของความโกรธท่านบอกว่ามีทำอยู่เจ็ดประการ ที่คนโกรธกันหรือเป็นศัตรูต่อกันเนี่ยจะนึกคิดอยู่เสมอเพื่อมุ่งทำลายต่อกันที่เป็นคนที่เป็นข้าสึกต่างันจะคิดถึงซึ่งกันและกันในลักษณะอย่างนี้เช่นถ้าเราไม่ชอบใครก็ตามหรือใครไม่ชอบเราก็ตามก็จะคิดอยากจะให้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยขอให้เป็นมีผิวพันธุ์ขี้ริ้วขี้เลเ อ, อถ้าถูกน้ำกรดหน้าซะได้หรือว่าผิวพันธุ์ เสียโฉมไปได้แล้วแหมชื่นอกชื่นใจดีอยากจะให้ศัตรูของเราเนี่ยมีผิวพรรณคิริวคิเลเป็นคนคิริวคิเลเนี่ยอย่างหนึง่งอยากจะให้คนที่เป็นศัตรูแกเราเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ขอให้มีแต่ความทุกข์ทรมานอย่าให้มีความสุขให้ประสบแต่ความทุกข์อยู่เสมอๆ เ, เนี่ยคนที่เป็นข้าศึกต่อการจะคิดแช่งกันอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจำแล้วกับประการที่สาม อขอให้คนที่เราโกรธหรือคนที่เป็นศัตรูแกเราเนี่ยยมีเงินมีทองใช้จ่ายอยขอให้ยากจนยากไรอนาถานึกแช่งอยูอ่ขอให้แกไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลยขอให้แกอย่าได้ยศเลยอย่ามีบริบาลตายไปแล้วก็ขอให้ตกนรกแช่งจนถึงตายตายแล้วก็ยังบอกขอให้ตกนรกอีก <c oughs> คนที่เป็นข้าสึกต่อกันนะ่ะนึกแช่งกันถึงอย่างนี้ ทำเจ็ดประการเนี่ยย่อมเกิดขึ้นแก่คนที่เป็นฆ่าศึกแก่กันพระพุทธองค์ปรัสไว้คนที่เป็นฆ่าศึกแก่กันจะต้องคิดกันอยู่อย่างเนี้ยคิดจนกระทั่งตายแล้วก็ยังขอให้ไปตกนรกให้คนที่ตายที่ศัตรูที่ตายไปแล้วเนี่ยขอให้ไปตกนรกอีกด้วยไม่ให้ขึ้นสวรรค์ทำเจ็ดประการเนี่ยย่อมมีอยู่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปนึก โกรธคนอื่นคนอื่นเขาโกรธเราเขาก็จะนึกอย่างเนี้ยการนึกอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เกิดโทษแก่เราเราต้องนึกถึงโทษของอกุศลธรธรมเหล่านี้และถ้าพูดถึงประโยชน์ได้แล้วท่านบอกว่าคนที่มีความโกรธเนี่ยเหมือนกับไม่ฟืนที่เขเผาศพมันไหมหัวท้ายแล้วตรงกลางก็จมคูดอีกไม่ฟืนเช่นนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย เป็นไม้ที่ไร้ค่ายอย่างยิ่งความโกรธก็เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ บ, บุคคลนั้นแล้วก็ความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมจะทำลายความดีงามในตัวเราทั้งหมดคนที่มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธนี่จะทำลายความดีความงามคนสวยก็กลายเป็นคนไม่สวย ต่อให้แต่งตัวสวยยังไงเวลาโกรธหมดดูไม่ได้เลยทำลายความงามหมดทำลายผิวพรรณต่างๆเนี่ยให้สูญเสียไปความสวยงามเนี่ยหมดไปเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้สอนตนเองถตาสอนตนเองอย่างนี้ยังไม่หายก็ให้นึกถึงกรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทุกจำพวกที่เกิดมาเนี่ยก็มีกรรมเป็นของของตน คนคนนี้เขาก็มีกรรมเป็นของของเขาเราเกิดมาเราก็มีกรรมเป็นของของเราถ้าหากว่าเราไปประทุษร้ายหรือทำลายเขาเมันก็จะกลายเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปเนี่ยให้นึกถึงกฎของกรรมเป็นอารมณ์นึกถึงกรรมแล้วก็ยังไม่หายอีกจะทำยังไงตบบถ้านึกถึงกรรมไม่หายก็ให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอดีตชาติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ขันติธรรมมาอย่างไรบ้างให้ศึกษาดูในอดีตอดีตชาตินั้นพระพุทธองค์ใช้ขันติธรรมมามากไม่เคยมีใครเลยที่จะใช้ขันติธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วยังไม่เห็นมีใครใช้ความอดทนถึงได้ขนาดนี้เช่น <c oughs> ในชาติหนึ่งเกิดเป็นดาบทละสมบัติออกบุ ตาบทเนี่ยขนาดเลือดโทมกายจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่โกรธพระราชายังสอนแต่ขันติคือความอดทนอยู่เรื่อยขันติอยู่ที่ใจมหาบพิตรไมอ่อยู่ที่ตรงนั้นหรอกมหาบพิตรก็ฟันไม่ไม่นับเลยผลสุดท้ายดาบทตายตายโดยที่จิตเนี่ยไม่ได้ประทุสร้ายต่อพระราชาเลยแม้แต่นิดเดียว มีใครบ้างอ่ะถูกข่มเหงถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่โกรธยังไม่เห็นมีเลยมีแต่ว่าพอกระทบนิดนึงก็จะต้องเล่นงานกันแล้วทนไม่ไหวแล้วเยแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถึงขนาดถูกตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกถูกกระทืบหน้าอกก็ยังไม่โกรธยังมีขันติธรรมอยู่จนกระทั่งตายร่สำสอนขันติแก่ประชาชนจนตาย แต่พระราชานั้นพอรับตาก็ถูกเป็นดินสูบทันทีจากการที่ประทุสลายต่อบุคคลผู้มีศีลโดยที่ไม่ได้ปะทุสลายต่อแผ่นดินสูปพอดีให้นึกถึงจารีตของพระศาสดาอย่างนี้พระพุทธองค์ระโทขมเหงถึงขนาดนี้ยังไม่โกรธคนอื่นเขาเลยยังใช้คันติธรรมได้อยู่ตลอดเวลาเราเองยังไม่ถึงกับมีใครมาฆ่ามาควันมากระทืบเราก็ควรจะอดทนได้ เป็นแต่เพียงเขาว่าเขาด่าเขานินทาเราก็อาจจะเอามาพิจารณาว่าเราก็น่าจะอดทนได้ให้พิจารณาอย่างนี้ให้ลึกซึ้งแล้วก็ความโกรธนั้นก็จะหายไปเองมันจะหมดไปในที่สุดเพียงแต่นิดนิดในหน่อยอย่างนี้เรายังทนไม่ได้ก็แย่สิพระพุทธเจ้าท่านยิ่งกว่าเราอีกท่านยังทนได้เมื่อพิจิตแล้วได้อธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับ ที่เราจ ะ, จะแผเ่เมตตาไปยังบุคคลอืน่นแต่ว่าบุคคลที่เราแผ่เมตตาไปนั้นเป็นบุคคลที่เป็นศัตรูกับเราซึ่งแม้ว่าเราจะปลูกเมตตาทำสัตยเพียงใดก็ตามความขุ่นเคืองต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอเราจะ ม, มีวิธีการอย่างไรที่จะระงับความขุ่นเคืองต่างๆเหล่านั้นให้ หายไปออวิธีที่จะระ ง, งับความขุ่นเคืองหรือความเพียาบาอาฆาตจองเวนต่อกันนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสได้หลายวิธีด้วยกันแต่ว่าแต่และ ว, วิธีที่เราได้ใช้กันมานั้น <c oughs> จะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่บุคคลผู้ใช้เองเพราะบางท่านก็อาจจะใช้ได้ผลคือสามารถระ ง, งับ ที่ผู้เพียาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันได้บางท่านก็ไม่ได้ทีนี้เมื่อไม่ได้เราจะทำอย่างไรเมื่อทุ่ก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการนึกถึงกรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนแต่ได้เลยหัวข้อที่เราจะต้องนึกอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการนึกถึงความดี สองศัตรูโดปกติแล้วใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับเราคนที่เป็นศัตรูต่อกันนั้นต่างฝ่ายต่างก็จะบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ม่ ด, ไมดีไม่ดีสารพัดอย่างส่วนความดีที่เคยมีต่อกันนั้นคนที่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันจะไม่คิดถึงและก็ไม่นึกถึงด้วยทั้งๆที่แต่ก่อนก็เคยบอกว่าดี คือสมัยที่ยังชอบพอกันก็บอกว่าดีแต่พอโกรธกันก็บอกว่าไม่ดีทัทั้งหลายจะต้องเจ็บได้ว่าคนที่โกรธกันนั้นต่างฝ่ายต่างจะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะให้ร้ายซึ่งกันอะไรกันว่าไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไปนึกถึงความไม่ดีของคนอือนเสมอแล้วจิตก็จะเกิด หมนหมองขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะขจัดความหมนหมองของจิตได้ก็คือจะต้องนึกถึงความดีของคนอื่นเขาบ้างโดยเฉพาะก็คือความดีของศัตรูเพราะว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะเชื่อหมดทั้งตั ว, วทั้งชีวิตเขาอาจจะเสียอย่างหนึ่งแต่ไปดีอย่างหนึ่งบางคนเสียทางกริยามันยาก แต่ไปดีทางด้านจิตใจบางคนพูดจาไม่ไพเราะแต่จิตใจดีบางคนพูดจาไพเราะดีแต่ใจร้ายเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เป็นวาสนาของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะแล้วก็เรื่องวาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้อภัยเพราะว่าคนเราทุกคนนี้มีวาสนาไม่เหมือนกัน ว่าาสนาเนี่ยหมายถึงความเคยกินที่เราเคยสั่งสมมาแต่อดีตเราสั่งสมว่าสนาอย่างไรมาว่าาสนาเช่นนั้นก็จะติดตามมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องของว่าาสนาเนี่ยเรามีว่าาสนากันมาทุกคนแต่ว่าาสนานั้นจะเป็นอย่างไรทั้งนั้นเองปัจจุบันนี้เราเข้าใจคำว่าว่าาสนาผิดกันไปมากบางคนถึงกับปรารบว่า เราเนี่ยเป็นคนไม่มีวาสนาไม่มีบุญไม่มีวาสนาซึ่งความจริงแล้วไม่มีใครเลยที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะไม่มีวาสนาทุกคนมีวาสนาถ้าไม่มีวาสนาแล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีวาสนาเพราะถ้าไม่มีวาสนาแล้วก็คงไม่เป็นเดรัจฉานเพราะวาสนาเนี่ยเป็นปกติทางกายวาจาใจ ที่เราเนี่ยแสดงออกอยู่เสมอๆเสมอเนี่ยเรียกว่าวาสนาเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเกิดมามีวาสนาแต่จะเป็นวาสนาอะไรเนี่ยเราก็จะได้พิจารณากันเพราะว่าเรื่องในอดีตชาตินั้นเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้พระสารีบุตรนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมเสนาบดี เป็นอาัคารสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาแต่พระสารีบุตรเนี่ยก็ไปเสียตรงที่วาสนาคือไม่เรียบร้อยท่านกระโดดกระยองกระแห้งเหมือนลิงเหมือนข้างเราไม่ได้ดูเหมือนท่านแต่ว่าตามํานานว่ายอย่างนั้น บ า, างที่เป็นพระอระหันต์แล้วก็ไม่เรียดรอย้อนะกระโดดกระเดกเวลาเดินมีเวลาเดินทางไปทางไหนมีท้องร่องฝังหน้า <c oughs> แทนที่จะอ้อมหรือว่าหาไม้พลาดล่าพระสารีบุตรกระโดดชัดขามได้บบบสบายจนกระทั่งบางครั้งอุบาสกหมดศรัทธาก็มีในเรื่องเคยเล่า ว, ว่ามีอุบาสกคนหนึ่งนิมนพระสารีบุตรไปจะถวายกีวรสตราย แต่ว่าพาพี่ไปบ้านอุบาศกเนี่ยมีครองขวานอยู่หลายหลายครอง้วยกันอุบาศกก็เป็นห่วงว่าเอสมณะจะทำยังไงนีข้ามครองอันนี้ไปได้แต่พอปราริบเรียสมณะกระโดดแล้วไปแล้วอุบาศกตั้งใจจะถวายชีวอนกลหนึ่งเลยบอกแม้สัพทาตกถวายเพียงสองถืนก็พอลดไปถืนหนึ่งพอไปข้างหน้ากระโดดอีกแคปหนึ่ง หายไปอีกืนบอกจะถวายฝืนเรียพอ น, นึกในใจพอไปเจอคลองอีกคลองนึง่งพระสารีบุตรไม่กระโดดอุบาสกก็นึกโงนวาเอ๊ะทำไมท่านไม่กระโดดพระสาริบุตรบอกว่าถ้ากระโดดที่นี้เห็นท่าไม่ได้ถวายแน่เลยไม่ยอมกระโดดตอนนีน้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าเพราะกริยาไม่เรียบร้อยเนี่ยคนภายนอกก็เลยมองว่าสมณะรูปนี้คงจะไม่ได้บรรลุคุณธรรมอนิเศษอะไรเพราะว่ากริยามันญาติไม่เรียบร้อย เนี่ยเกิดเรื่องว่าชนะเนี่ยเราไปว่ากันไม่ได้เพราะว่าพระสารีบุตรนั้นท่านเกิดเป็นลิงตั้งห้าร้อยชาติฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นลิงห้าร้อยชาตินิสัยลิงก็ติดตามมามาถึงปัจจุบันนี้บางท่านมาปรารกบอกว่าเอ๊ะทำไมพระราชาคณะบางรูปเป็นพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยถึงไม่เค่จะเรียบร้อยหลุดหลเหมือนกับลิงกับข้าง <c oughs> เราก็ต้องอธิบายไปบอกว่าวาสนานี่จะไปดูสิระหว่างทุกคนมีวาสนาไม่เหมือนกันอดีตชาตินั้นเราอาจจะอบรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก็ได้แล้วกับสิ่งนั้นมันก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องหาสาเหตุว่าเราไม่ชอบอะไรของคนคนนั้นเราไม่ชอบปริยามัน ญ, ญาติหรือความทะลึง่งหรืออะไรแต่อะไรเนี่ยเราก็อาจจะค้นหาได้ แต่ว่าในคนคนนั้นไม่ใช่ว่าจะเสียหมดทั้งคนเขาอาจจะมีอะไรดีในบางส่วนก็ได้แล้วเราก็นึกถึงความดีของคนคนนั้นอย่าไปนึกถึงความไม่ดีการค้นหานึกถึงความดีของคนอื่นแม้แต่ศัตรูนั้นย่อมจะบรรเทาความผูกพิยาบาทอาชาตจองเย็ในใจของเราได้และอันนี้แหละเป็นทางหนึ่งที่จะระ ง, งับความโกรธ และเราสามารถที่จะปลูกเมตตาธรรมไปยังบุคคลอื่นๆได้แม้แต่ศัตรูศัตรูเนี่ยแม้ว่าจะร้ายแสนร้ายอย่างไรก็ตามเราก็จะคิดว่าศัตรูนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เราแท้ที่จรีนศัตรูนั้นเป็นประโยชน์เลิศเกินคนทํางานไม่ว่าจะเป็น ง, งานอะไรทั้งหมดถ้าไม่มีศัตรูแล้วงานทั้งหลายที่ทํานั้นจะสําเร็จรุ่งเรื่ยดีไม่ได้ งานทุกชิ้นที่เป็นสมบัติของโลกที่สําเร็จขึ้นมาได้ผู้ที่สร้างงานนั้นจะต้องผ่านศัตรูมาอย่างมากหรือฝ่าฟันต่ออุปสรรคมาอย่างมากจึงสามารถสร้างงานต่างๆเนี่ยให้สําเร็จได้อย่างน้อยศัตรูก็มีส่วนเพิ่มคูนกําลังใจให้และเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความภาคภูมิเพียรพยายามเพื่อที่จะเอาชนะศัตรู และความภาคเพียรพยายามนี่แหละที่ทำให้งานต่างๆเนี่ยสำเร็จขึ้นมาเพราะฉะนั้นศัตรูนั้นดีคนมีศัตรูมากยิ่งดีเพราะว่าเป็นประโยชน์และจะสังเกตได้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีขันติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจแล้วก็เป็นบุคคลที่ภาคเพียรพยายามที่จะทาอะไรต่างๆนี่ให้สาเร็จขึ้นมา เพราะงานบางอย่างถ้าไม่มีศัตรูแล้วบางทีเราก็ขี้เกียจไม่อยากจะทำทำทำไปแล้วก็เหนเลยเหนื่อยหน่ยนายแล้วผลสุดท้ายก็อาจจะทิ้งแต่ถ้ามีศัตรูคนใดคนหนึ่งมาคอยพูดคอยว่าคอยดูหมิ่นดูแคลนก็อาจจะเกิดความมุมาณนะ์พยายามทำให้สาเร็จอันนี้หลายทีงกล่าวว่าศัตรูก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงความดีของคนอื่นแม้แต่ศัตรูเนี่ย เราก็อาจจะค้นคว้าหาความดีภายในตัวศัตรูได้วิธีเนี้เป็นวิธีที่จะขจัดความโกรธเคืองต่างๆที่เรามีต่อบคุคคลอื่นได้อย่างดีทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าถ้านึกถึงความดีแล้วมันก็ยังไม่หายจะทํายังไงเพราะว่านึกครั้งใดจิตใจก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละยังไม่สามารถจะปลูกเมตตาธรรมหรือความปรารนาดี ลงไปใบุคคลนั้นได้เราจะทำอย่างไร <c oughs> ถ้าหากว่าใช้วิธีนี้แล้วก็ยังไม่หายเราก็ต้องนึกถึงสงสารอันไม่สิ้นสุดคาว่าสงสารอันไม่สิ้นสุดเนี่ยหมายความว่าการเวียนตายเวียนเกิดของสรรพสัตว์ที่อุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยมันไม่มีความสิ้นสุดยืดยาวและเกิน เราจะต้องเกิดกี่ร้อยชาติพันชาติเพื่อมาสู่ความแก่และความตายเราก็ยังไม่ทราบอย่าสงสารอันไนม่มีจิงสุดอย่างนี้มันยืดยาวมากสงสารยืดยาวเพราะอะไรเพราะเรานั่นเองเป็นผู้ไปยืดสงสารในคำทีพระสุธรรมปิดกในสวินัยปิดกนีกล่าวถึงเรื่องการสู่พยาบาทอาฆาตจองเวรไว และเราได้ใช้เป็นคำพังเพยของคนโบราณที่พูดกันมาว่ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อคำว่ารักยาวให้บัน่นในที่เนี้ก็คือถ้าหากว่าเราไปผูกพีาบาทอาคาตจองเวรใครเท้านานานเนี่ยก็ขอให้ตัดเชียตัดคอนให้สั้นลงที่ว่ารักสั้นให้ต่อคือการที่เราคุดจะด่วนแตกจากนิด หรือประทุสร า, ายต่อมิตรเนี่ยก็ควรจะเลิกเสียเพราะว่าการที่เราประทุสร า, ายต่อมิตรก็ดีหรือดวนทําความแตกร้าวแก่มิตรก็ดีไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่ารักยาวให้บันถรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บันนังกล่าวเนี่ยการผูกพยาบาตรอาฆาตจองเวร น, นั้นเป็นกิเลสเป็นความโกรธที่หนาแน่นจนกระทั่งเป็นอุปาทานขึ้นมาถ้าความโกรธอันนี้มีอยู่ ความเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมจะมีเราเห็นสภาพของความทุกข์ทรมานจากความเกิดเป็นอย่างดีแล้ว